أهليها مكناشقيا ف ت غ ذ ت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها. รูห์น่าฟ้าั้งสัลลัลาห์บัชารสาวียะกล่าอินนีอาอูดุบุรฮ์มาน m i n งคุณอินคุณต a ตาขี a ยาอาณาอินนามะอาณาอาณาอิน อَลลอฮฺอินนามะอาณา رسول รับบิกลَ ل ัลฮฺَาลังที่คลาแมนซาคิ و ล ل าวท์อ ل َน่าจะ ل ุณลีกุลามุวะละมยมสัสนิบัชรุวะละม ب َุบะริยาบิสมิลลาฮิร rahmanir r a h ا ل ด ح นั่นความดีลีลาเราอัล ه าดุห์และอัลตั้ง ه และเราอุทิ ن ا ัวเอ ن ให้กับพระเจ้ أ จากความ ن ั่วร้ายในตัวเร ل เองและจากความชั่วที่เราทำผู้ที่ได้รับพระเจ้าจะ ل ม่หลงทา ن และผู้ที่หลงทา ه จะไม่ ل ด ه รับการชี้นำและฉัน ا ืนยันว่าไม่มีพ Allahumma biqa asbahna, wabiqa amsayna, wabiqa nahya, wabiqa و ذ بِكَلِمَاتِ ا ل َِّ ل ت َّ م َ ا ت ن ّْ مَا خَلَقَ. و ذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ ت َ م َ ا ت ِ مِنْ شَرِّ مَا خ َ ل َ ق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 รَู้ีตุบิ ر َาฮฺรับ ا, إ, إ, أ ل ل ل บ ه ิอิสลามดีนวับบิมุฮِมَ ا ดรัสูละอ س َลอ و ฺมะอิมีอ้าَِุิِ์มินัลคัُล์วัสูอิลคิบรีร ا บบ์อ้างุบิค์มินั ا าบินนารีวัณาดาَิลควบรَซัลลัมอาลَยคุมรักมาตุ ه ِ وَبَرَكَاتُهُ พี่น้องที่ร่วมน้มาสุบ ห, หรือนมาซุปที่รักทั้งหลายครับขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาที่อัลลอฮ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาการหลับในเวลากลางคืนเป็นการพักผ่อนที่เรากล้าพูดแบบนี้ไม่ใช่หมอสั่งไม่ใช่หมอพูดแต่อัลลอฮ์ แนะนำไว้ในกัรพิเคาุร้านอายนไหนล่ะว่าจะเนาเรามาคุมสุบาตาอายานนี้แหละเราได้ทาให้การนอนของสู่เจ้านั้นเป็นการพักผ่อนว่าจะเนาเรามาคุมสุบาตาแล้วก็ว่จะเอาหนั่นไละลีบาจะทาให้เวลากลางคืน เป็นอภร a า l a h ดีหมดเลยที่ Allah ลลเล่าในัวผีวคุณอ่านและเรื่องจริงทั้งหมดขอบคุณ a า l a h นะที่เราตื่นมาแล้วก็อ่านดุอาแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาลิอะฮิยานะบัดดามาอามาตานะอวลายฮิลนุชูรทำไมต้องอ่านดุอาไม่อ่านได้ไหม คำตอบอยู่ในฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนาบีสอนบอกว่าตอนนอนในเวลากลางคืนเนี่ยชายตอนมันก็ทําหน้าที่ของมันคือฉีใส่หน้าใส่หูใส่ตาใส่จมูกมันฉีหดเห็นยังจะนอนในห้องแอร์ไม่นอนในห้องแอร์จะนอนในมัสยิดหรือจะนอนที่ไหนก็ตามหรือจะนอนในที่ที่ว่าดีที่สุดใหญ่ที่สุดแพงที่สุดมันก็ฉีใส่หน้าล่ะ แล้วมันก็พูดบอกว่ า, วานอนนอนไปเลยกลงคืนยังมีอีกยาวหลายคนเนี่ยนอนตอนนี้ยังไม่ตื่นยังตื่นตีแปดโมงเก้าโมงเอาละจะใครจะตื่นกี่โมงก็ไม่มีปัญหาพอตื่นแล้วเนี่ยพอลืมตาบนที่นอนเนี่ยอย่าลืมว่าชัยตอนมันขูกปมไว้กี่ปมนะสามปมนะ่ะ นึกเลยว่ามันสามสามทุกคนไม่ยกเว้นใครถูกปมไปสามปมนบีเล่าให้ฟังว่าวิธีที่จะแก้ปมให้หลุดต้องแก้ด้วยสิ่งที่ท่านนาบีสอนต่างต่อไปนี้หนึ่งให้ให้ใหอ่านดอาตอนลืมตอนจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอาฮยานะบะอัดามาอามาตานาวาอิไลฮินนชู นี่ปมที่หนึ่งหลุดแล้วอีกสองปม อ, อ่ะ ป, ทป ม, ม, นนะมปที่สองหลุดตอนไปอาบน้าน้ำมาดเห็นไหมปมที่สองหลุดตอนอาบน้าน้ำมาดแล้วก็ปมที่สามอ่ะตอนเข้าเสือน้ำมาดเนี่ยเข้าในที่น้ำมาดเนี่ยอัลลอฮฺอูอับบุบัตปมที่สามถึงถึงจะหลุดลองนึกภาพกลับไปอีกทิหนึ่ง ถ้าไม่ได้อ่านดูอ่านเลยแล้วมาได้นนำมาซูบวะด้วยถามมาไซตตอนจะอยู่กับเราทั้งวันใช่ไหมนึกภาพกับอยู่ทั้งวันอ่ะพออยู่ทั้งวันแล้วเป็นไงอ่ะความากระบบความนรรชาติความกระปี้กระเป๋าในชีวิตเนี่ยจิตใจไม่มีถ้าจะมีก็ไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์เรมามาจากไซตตอนใช้เราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตามที่ท่านนาบีสอน แคนั้นอย่าแอนตี้สุนนะนบีอย่าดูถูกสุนนะนบีนะครับอย่าหันหลังให้กับสุนนะนบีเอาคนที่หันหลังให้กับสุนนะนบีเนี่ยเป็นยังไงเขา อ, อ่านกู อ, อ่านต้นที่เราท่องกันอยู่แล้วนะอินชาอีอากะฮุวัลอับตารอินชาอีอากะฮุวัลอับตาร แท้จริงศัตรูของท่านนบีนั้นคนที่เป็นศัตรูกับท่านนบีนะใครก็คือคนที่สมัยนบีไม่เอานบีเลยไม่ยอมรับว่ามุฮัมมัดนี่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็ขวางนบีแกล้งนบีใส่ร้ายนบีแล้วก็คนที่ใส่ร้ายนบีในวันที่นบียังมีชีวิตอยู่นะใครรู้ไหมญาตินบีน่นแหะพวกเต๊้พวกวอพวกจูพวกอะไรพวกนี้เลยคอยขวาง อัลลอฮฺเลยเล่านักอภิวักูนอานไงอินน่าชาเนียกะคนที่เป็นศัตรูกับนบีกับท่านนาบีมุฮัมมัดจะเป็นใครก็ตามควรอัปต์เขาเป็นคนที่ขาดทุนยิ่งสมัยนี้คนที่เป็นศัตรูกับนบีก็คือคนที่ไม่ขวางซุนนะนบีไม่เอาซุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจําวันท่านคนที่ขวางซุนนะนบีทั้งหมดนั่นแหละคนนั้น เขาจะว่าอับตะคขาดทุนไม่ใช่นบีขาดนะคนที่ขวางสุนนะนบีนักขาดทุนเองอ mm hmm. ินนชาเอากาฮุลอับตะค์แสดงคนที่ขวางสุนนะนบีเป็นศัตรูกับสุนนะนบีหรือไม่ยอมรับให้มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วันที่ท่านมีชีวิตอยู่หรือหลังจากตายมาแล้วก็ตามทั้งหมดเหล่านั้นเป็นศัตรูเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับเลย การภรรยานบีมีอยู่สองคนประชุมกันที่จะเล่นงานนบีใช่ไหมอัลลอฮ์สั่งจากอัลกุรอานบอกว่าตบบ้าตัวซะตบบ้าตัวซะว่าอินตะตูบาอิลลอห์ฟะครัดสวะตูลูบุกูมาหากนางสองคนเนี่ยคือเป็นภรรยานบีตรงสองคนเนี่ยเลิกซะตบบ้าตัวซะเพราะว่าการตบบ้าตัวสําหรับภรรยานบีเนี่ยมันง่ายเพราะอะไร เพราะหัวใจของนางเนี่ยสวสดสวัสดิ์ปว่าออนโยนนิ่มนวลอยู่แล้วฟังาศาสนากับนบีอยู่แล้วนามาดอยู่แล้วอ่านกรุรานที่กรุลล์อยู่แล้วถ้าบางสิ่งบางอย่างที่ทำอะไรขวางนบีเนี่ยเลิกซ ะ, ะถ้าไม่เลิกเป็นยังไงคุรานอ่านต่อไปอีกว่าอินตาโรฮารแต่ห่างสองคนนี่ ภรยาสองคนนี่รวมหัวกันต่อต้านตา อ, อหารอแปลว่าต่อต้านนะอย่างที่มุซฮ า, ารอเนี่ยที่ที่นิยกรัฐมอเนี่ยนั่นก็เรียกว่าขึ้นมาขัดขวางขึ้นมาต่อต้านต่อต้านรัฐบาลนะนะขต่อต้านนาบีเป็นไงว่าอินตาอหารอฟ้าอินนกลอฮ่แท้จริงภรยาขอนาบีจงรู้ไปเถิดว่านะคนที่เข้าข้างนาบีนะใครหัวเมาละหูอัลลอ เป็นผู้คุมครองนบีเห็นไหมอัลลอฮ์มาจะคุมครองคนต่อต้านนาบีหรอกคุมครองคนที่ถูกต่อต้านอัลลอฮ์เข้าข้างนาบีและใครอีกวะยิบรีนท่านยิบรีนก็อยู่ด้าอยู่ข้างนาบีและใครอีกวะซอลีฮุลมุมินินและมุมินไม่ใช่มุมินธรรมดาด้วยนะซอลและด้วยซอลีฮุลมุมินินมุมินที่ นลลเป็นคนที่ดีมากๆอยู่ข้างนาบีละใครอีกวัลมาลาอิกาตุมีมาลาอิกาอีกามาลาอิกาเนะของท่านนาบีของอัลลอฮ์เนี่ยนับทวนไหมมาลาอิกาเนี่ยนับไม่ทวนเนยนะอยู่ข้างนาบีเพราะฉะนั้นใครที่ขวางนาบีขวางสุนนะนบีมิจะขาดทุนกับขาดทุนขอให้จำมาญาเนี้อินนชานีอากะกุวลอับตาร คนที่ขวางนาบีทะเลาะกับนบีหาเรื่องกับนบีขวางซุนานะนบีฮุวัรอับตัเขาเป็นคนที่ขาดทุนยิ่งสาเหตุของอายาเนี่ยลงมาเพราะอะไรเป็นอย่างงี้นบีมุฮัมมัดสุลามอัสสลามมีลูกผู้ชายกี่คนกีในใ่คนตายหมดเหลือลูกผู้หญิงอย่างเดียวแล้วก็ญาติญาตินบีอับบุลละฮับบางใครแต่ใครก็พูดว่า มอมัดเรา แ, แย่แล้วมหมัดเราไนแย่แล้วได้ลูกผู้ชายมากี่คนกี่คนตายหมดนี่เครวัดานาบีใช่ไหมนบีเพราะคนชาวบ้านก็ลือกันเนี่ยนบีก็เครียดใช่หรือเปล่าเนี่ยอัลลอฮฺประทานอันกูอาดลงมาเลยอินนาชาเนาะกาฮุลอาบตาไม่ใช่ฉะนั้นคนที่จะ Allah จะคุ้มครองแล้วไม่ใช่ลูกมาคุ้มครองนะศาสนาต่างหากที่จะมาคุ้มครองครอบครัวเราเพราะคนอาหรับกับคนจีนเนี่ยคิดเหมือนกันบ้านเนี่ยครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดต้องมีลูกผู้ชายเข้าใจว่าลูกผู้ชายวันนี้อกิีดานี่ยังฝังอยู่ในหัวใจของพวกเราอยู่นะใครที่มีลูกผู้ชายบ้านนี้แหละโอ้โหมันจะอะไรนะรักษานามสกุลรักษาตระกูล อันเราบอกไม่ใช่ถามว่านบีเนี่ยลูกผู้ชายเสียชีวิตหมดแล้วก็วันนี้นบีมุฮัมมัดเนี่ยยังถูกชมไปทั่วโลกใช่ไหมตอนนั่งอตัตไหยาเนี่ยอัลลอฮุมะซิลอุลัยละมุฮัมมัดเอ้ยนบีทําไมอะ่ะพานธุ์แท้จูกผู้ชายไม่มีนี่ไงเพราะาศาสนาต่างหากแล้วเพราะอิสลามเพราะรักษานามาแต่ทั้งคนที่รักษานามาเนี่ยรักษาตัวเองให้ดีรักษาครอบครัว รักษาพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าลูกจะเป็นลูกผู้หญิงก็ได้มาตรงลูกผู้ชายแล้วรักษานามารักษาศาสนาความดีอันนี้ส่งไปถึงแม่พ่อที่นอนอยู่ในกูโบโต้องศาสนาอย่างเดียวยังอื่นไม่มีนะครับขอขอบคุณลอลลอห์นะที่เรามาทบทวนอัลกุรอานปีนี้ปีจะใดห้าเจ็ดสิบเก้าปีแล้วถ้าสิบเก้าอยะ <c oughs> <c oughs> ก็นะคงจะตายก่อนแล้วนะ <laughs> อายะที่สิบหกอายะที่สิบหกซูรมาติยมนะครับทีนี้อยายะที่สิบห้าขอทวนนิดหนึ่งนะครับอยายะที่สิบห้าวะซาลามุนอาลฮิยูมาูลิดะวายูมายาโมตวายูมายุบอสซูฮัยย เอาล่ะมันมีอยู่สามนะยาวยาวยาวมีอ ย, ย, ยู่สามช่วงคุณอ่านนั้นอายะที่สิบห้าหน่ยนะสลาลุนอาไลแปลว่าความสันติสันติได้มีแก่เขาเขาในใครหมายถึงนบียะฮียานะ <c oughs> นบียะฮียาสลามุนอาไลฮีนะครับ <c oughs> สันติได้มีแกเขาแล้วนี่อัลลอฮ์เฉพาะเจาะจงให้กับนบียะยาเพื่อเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังและนบีเอามาเล่าให้พวกเราฟังก็คือมีอย่สาวมวันที่อันตรายที่สุดแต่อัลลอ์ให้ความคุ้มครองนบียะฮิยาและคนอื่นด้วยอ้างนะอ้างนบียะยาแต่พวกเราถูกด้วยไหมถูกด้วยไม่มีอย่สามวันที่อันตรายที่สุด เยาว์มาวูลีดาวันอะไรวันที่เขาถูกคลอดออกมาจากท้องมานดาวันนั้นนะ่ะถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตานะตายเรียบเอาสิ่งที่อัลลอฮ์เมตาอยู่ที่แม่นะ่ะโอ้เห็นไหม <c oughs> แล้วก็อะไรที่มันน้ำนมนะ่ของแม่ที่ใส่ไปในปากลูกนะ่ะหยดหยดแรกที่ออกมาจากน้านมนะ่ะนั่นเป็นอะไรเนาะโอ้โหมีอะไรอนะ่ะ มีของดีๆหลายอย่างปกป้องลูกที่อยู่ในคันที่ออกมาใหม่ๆนะน้นมของแม่นะ่ะดีที่สุดเลยนี่เอาเราคุ้มครองแล้วก็ส่งแม่มาดูแลใช่ไหมวันเกิดวันที่ถูกคลอดออกมาวันนั้นเป็นวันที่อันตรายที่สุดนั่นต้องดูแลลูกให้ดีนะคลอดออกมาวันแรกเนี่ยท่านบีเลยสั่งเลยว่าครบเจดวันให้ทำไงให้โกนผมฝอยแล้วก็สอนด้วย ทำยังไงข้อที่หนึ่งให้ตั้งชื่อข้อที่สองให้ทําตานิษฐข้อที่สามให้โกนผมไฟข้อที่สีให้เชือดแพะอลัลลอฮฺสอนละเอียดเลยนี่สุนานนะบีลองขวางดูสิขวางตอนนี้นะไม่รู้จะได้อะไรแต่รู้ว่าขาดทุนแน่ๆลองตายดูก็รู้ตายปาปอัลลอฮฺขวางสุนานะบีทําไมเนี่ยใช่ไหมวันที่สองไวยาุมายะมูดและวันที่เขาตาย นี่อันตรายหมดเลยนะวันเกิดกับวันตายอันตรายมากหนักแต่ Allah คุ้มครองแต่ด้านคนที่ตายสบายนางงามมันต้องมีศาสนาถามว่าอยากตายในสภาพเป็นคนดีไหมทุกคนขอดูอาหมดเลยอ้าวตายว่าตายวันศุกร์ตายวันศุกร์เนี่ยฮะดิษยังยังมีอ่อนๆบ้างนี่ยยังมีขัดแย้งกันนะเพราะว่าสายรายงานเนี่ยมันขาดตอน เอาไม่เป็นไรเราเชื่อว่าตายตายตายวันศุกร์ดีตายขณะที่อะไรนะก่าบปรีมาชาดาได้ก่อนตายเลออิเลฮะอิลลอลแล้วก็เสียชีวิตอัลฮัมเบลิลาตายดีแล้วก็ตายขณะที่กำลังนมาดโอ้โหเรยกว่าตายดีตายขณะครองชุดอิหรอมจะไปประกอบทำอุมรอดหรือทำฮายีตายตรงนั้นเรยวว่าตายดี แล้วก็ตายขณะที่กําลังอ่านกูรานตายขณะที่ ก, กล่าวบริมาชาด้าได้ตายที่ทุ่งอาราฟะคลองชุดเอารอมทั้งหมดเแล้วนี่เขาเรียกว่าตายดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอดุทิศต่ออัลลอฮฺอลัลลอฮฺจะคุ้มครองนะเย้ามายามูตุวันที่เขาตายแต่ยังมีอีกวันที่อันตรายที่สุดว่ายามายุบอาสุไหยวันที่ ถูกให้ฟื้นขึ้นให้มีชีวิตในปรโลกอลัลลอฮ์ไมา่ได้พูดว่าให้ายาวมาหลายแต่เป็นที่เข้าใจให้ายาน ม, มาถึงเราจะมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากนอนอยู่ในกูโบไม่รู้ว่ากี่พันปีก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาวันนั้นวันหนึ่งของอลัลลอฮ์ห้ามืนปียาวกว่าดุนยานีกเยอะโอ้โห ม, มีมีอยู่อญญายาหนึ่งก่อนหน้านี้อัลลอฮฺจะให้ชาวนรกยังไม่ได้ลงนรกนะนั่งอยู่บนทุ่งมัซัดเนี่ยอาลลอฮว่าวครึ่งวันครึ่งวันชาวยะะาเท่าไหร่นะสองหมืห้าพันปีเห็นนรกนรกมาน่ะเนี่ยในปูกาบลนี้ที่อยู่ของคุณแล้วก็เห็นที่อยู่ในนรกน่ะทรมานใจอ่ะ จะตายก่าไม่ตายจะเข้าก่อไม่ได้เข้าแค่เห็นอย่างเดียวเนี่ยกลัวแล้ประมาณสอง0 0้าพันปีอ่ะเข้าก็ไม่ได้เข้านะเห็นก่อนอนะ่ะทำไมอ่ะสร้างความทรมานในหัวใจอ่ะเพื่อเป็นการลงโทษเพราะอะไรเพราะคณะที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เล่นงานมุสลิมเล่นงานคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์อ้าวใครบ้างอย่างประเทศอิรักถูกทรมานถูกเข็นฆ่ายังไม่จบเลยนะ ซีเรียไม่จบปากีสถานไม่จบปัตตานียาลาไม่จบคนที่ทำงานเล่นงานมุสลิมทั้งหมดเหล่านี้นะจะถูกอลัลล์แก้แค้นแต่วันนี้ปล่อยไปก่อนอยู่ปะกินกับปะทำดีนะเชิญใช่ไหมระวังนะมีอยู่สามวันวันเกิดวันตายวันอะไรอีกวันฟื้นคืนชีพโอโัลล์เนี่ยใหญ่มากเลยซาลามุนสันติ คนที่มีศาสนาเท่านั้นที่จะสันติจริงๆนะต่อมากับอายที่สิบวัดกูรูฟิลกิตาบิมารยัมวัดกูรูฟิลกิตาบิมารยามอิลินตาบาจัสมินอัลลิฮามะกานันชัรกิยาอัลลอฮฺอายาเนี้ยดีนะ วาสกูลมันก็บอกนบีละมุฮัมมัดเอ๋ยเพราะอัลลอฮฺประทานอัลกุรอานทานใครผ่านนาบีคนเดียวนะใครคนพามาครับท่านยิบรีนอะลัยฮิสลามเรียกว่าไงเป็นซูปเปอร์มาเลิกาเป็นมาเลิกาที่ประเสริฐที่สุดในบรรดมามาเลิกาทั้งหมดอัลลอฮฺให้ท่านยิบรีนะเอากุรอานมาให้นบีมุฮัมมัดข้างล่างบนผืนแผ่นดินนี้บอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยวัสกุล จงอะไรนะจงเอ่ยจงเล่าจงกล่าวเรื่องราวของใครฟิลกิตาในคัมภีร์กุณอ่านนี่แหละนะพูดเรื่องอะไรมารยยมให้นบีเล่าเรื่องของนางมารยยมให้มนุษย์ฟังวัสกุตฟิลกิตาบีมาริยมมุฮัมมัดเอ๋ยเป็นรูนของอัลลอฮ์คนสุดท้ายไม่มีรูนมาอีกแล้วนะ เตือนมนุษย์บนโลกดุนยาใบนี้ให้เล่าประวัติของนางมารยมให้ประชาชนฟังให้สุฮาบะฟังวันนี้สุฮาบะนบีเสียชีวิตหมดแลเหลือแต่พวกเราใช่ไหมเราก็อ่านก mm hmm. อุลนนัยนี้แล้วก็นําเอาประวัติของนางมารยมเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องฟัง mm hmm. นางมารยำเนี่ยเป็นเป็นยังไง <c oughs> อุลานสอนไปอีกอิรินตาบะฏ นางได้แยกตัวานางได้ปลีกตัวแยกตัวเองออกไปมินอัฮลิฮาจากใครจากมู่ญาติของนางเองจากพวกพ้องของนางเองจากกลุ่มของนางเองอัลลอบอกให้เล่านางมารยมเนี่ยอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องใช่ไหมอยู่กับแม่ พ่ออยู่ในบงในบ้านญาติพี่น้องเต็มไปหมดแล้วต่อมานางเนี่ยได้แยกตัวออกไปอยู่ตั้งหา่างอยู่ตามลำพังได้ไหมมินอาลีฮาไปทางไหนมาการตยามการแต่ว่าสถานที่ชาติยาทางตะวันออกมาตะวันออกนึกถึงคััวกระไดอะ ขษัตว์กอรูไม่ใช่กอรูสิจุลกอร์ไนใช่ไหมเดินทางไปจากทิศตะวันออกก็เดินตะวันตกก็เดินเดินไปทั่วโลกเลยไปเผยแพ่าศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลอะลาชาบับกียาแปลว่าทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันออกเนี่ยมันมีรายบีมัสยิตรไปตุลมักดิสนี่เล่าเรื่องของเขาตรงนั้นเรื่องของนางมรารยำเนี่ยอะไรนะเอะเมื่อนางได้ปลีกตัว แยกตัวออกไปจากพู้พองของนางไปทำอะไรไปสถานที่หนึ่งสถานที่นั้นเรียกว่าชาตียันทางทิศตะวันออกในอัลกรุรอานอธิบายอย่างนี้ตอนออกไปนี่นะใสยฮย่ฮิญาบอแต่งตัวมิดชิดตั้งแต่สมัยนูน้นเลยนะมุสลิม่าต้องแต่งกายมิดชิดนะนะครับแต่งกายมิดชิดออกนอกบ้านนี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ แล้วก็ดีไซเนอร์เนี่ยเอาลอปเป็นวางเป็นเป็นนักออกแบบที่ดีที่สุดมาจากชาญฟ้าให้มุสลิมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยคุมแต่งกายให้มิชชิดอันที่สองไปทําอะไรไปทําอิบาดะต่อ Allah. อัลลอฮ์ที่แยกตัวไปเนี่ยไปทําอิบาดะต่ออัลลอฮ์ในตัสิดอธิบายบอกว่าซ่อน ล, ลูไปน้ำมากรอบละก่อนที่ตะวันจะดวงอาทิตย์จะขึ้น เหมือนพวกเราวนเนี่ยนามาซูบโบ่เนี่ยตะวันขึ้นอย่างตอนนี้ยังไม่ขึ้นนี่นะคนดีปฏิบัติความดีเหมือนกันทั่วโลกเลยจะนามาซูบโบต้องต้องกรที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นจะมีเป็นตัวนางมารยามก็ออกไปแยกตัวออกไปหนึ่งคุมฮิจาบออกไปอันที่สองไปทําอิบาดาทีนี้นางมารยามเนี่ยนะ นางมารยมเนี่ย <c oughs> ต้องการจะอธิบายยังไงอ่ะนางมารยมอาลาฮิสลามเนี่ยกับนบีสากริยาเนี่ยแตกต่างกันนะเราอ่านประวัติศาสตรของนบีสากริยาใช่ไหมนบีสากริยาเนี่ยกูอ่านได้เล่าเนี่ยแกชาราแล้วแล้วก็ภรรยาเป็นเป็นหมันด้วยนะภรรยาเป็นหมันนะ สามารถให้กำเนิดลูกชายได้ชื่อยะยายะยาเป็นเด็กแบบไหนอัลลอ์ล่าถึงอัลีย์กุอานเป็นเด็กที่ซั ก, กี้ฉลาดปอเฮดเป็นเด็กที่สะอาดมุบารกักเป็นเด็กที่มีความจำเลย ม, มาึงเป็นเป็นนบีด้วยมีความรู้ด้วยใช่ไหมหลังจากนั้นอัลลอ์ได้พูดถึงนางมารยมัมเล่าถึงนาบีจลกรียาจบแล้วเล่าถึงนางมารยมัม มัตยมเนี่ยมีลูกชื่อนบีอะไรนบีไอซ า, าอัลฮิสลามมีพ่อไหมพ่อไม่มีสักริยาเนี่ยแกแล้วเมียเป็นภรรยาเป็นหมันได้ลูกฝืนธรรมชาติใช่ไมมใช่ฝืนธรรมชาติ ช, ช, ชาว บ, บ้านงงไปหมดอะไรว่าเมียเป็นหมันน่ะแล้วก็ผัวก็แก ได้ลูกมาคนหนึ่งชื่ อ, อยาอยาชาวบ้านก็วิจารกันแล้วล่ะอะไรกันอะไรกันนี่เป็นกุดดรอตุออลเราเราต้องการจะเล่าให้นาเบีย ม, มุฮัมมัดฟังให้พวกเราฟังว่า น, นี้นางมะเรยามเนี่ยสามีไม่มีนะตอนเปลีกตัวออกไปเนี่ยเอาผ้าหิ้หยาบคุมไปทำนามาดไปทำอิบะดาต่อร้อนแล้วต่อมาท้องอพอท้องชาวบ้านก็ น, นินทากันเองอ่ะ ต้องการจะเล่าว่านางมรตยามนั้นมีบุตรโดยไม่มีพ่อต้องการจะเล่าว่าอัลลอฮ์มีความสามารถให้พวกเราฟังวันนี้แกแล้วเมียเป็นหมันให้ลูกได้ไหมได้อัลลอ์นางมรตยามเป็นสาวไม่ได้แต่งงานสามีไม่มีท้องได้น บ, บีอีซามาคนวิจารณ์กันนะใช่ไหมนี่เป็นความสามารถของใครของอัลลอฮ์สุบฮานาอูต้องการจะอธิบายว่า ฟิสตราตุลล้อกับกุตตราตุลล้อไม่เหมือนกันฟิสตราตุลล้อแปลว่ากฎธรรมชาติกฎธรรมชาติฟิสตราแปลว่าธรรมชาติกุดตราความสามารถฉะนั้นกฎธรรมชาติใครจะมีลูกเนี่ยต้องภรรยาไม่เป็ น, มนหมันใช่มถึงจึ ง, ถ, งถึงจะมีลูกได้นบีออซาเกิดมาไม่ใช่ตามธรรมชาติ มันเหนือกฎธรรมชาติเรียกว่ากุบจะรตละุลหรอความสามารถพิเศษของอัลลอฮ์สุบฮานาอูวะตาลาอายานี้ต้องการสอนเราเรื่องอักลีดะ้าใจธิ้าเรื่องอักีดะเรื่องความเชื่อว่าเราไม่ใช่เชื่อแบบพี่น้องชาวนสอรอที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นลูกของอัลลอ์นี่เป็นความเชื่อที่อัลลอ์ไม่พอใจอัลลอฮ์โกรธนะแต่คนที่พูดอย่างนี้ว่าอัลลอ์มีลูกนะ่ะ เองจำภาษาหรือวัยอดีตวุนเล่นงานเลยน่ะในวันเกียมาแต่นั้นพูดผิดอัลลอฮ์ก็เอาโทษนะนั่นมันต้องพูดดีๆแค่นั้นนบีอีซาไม่ใช่ลูกอัลลอฮ์แต่เป็นนบีของอัลลอฮ์ไม่ใช่นบีอีซาศักดิ์สิทธิ์และประกาศนบีอีซาไม่ใช่มีอยู่คนหนึง่งโทรศัพท์มาหาผมหนูเข้าใจผิดทีแรกเป็นมุสลิมแล้วก็เดี๋ยวนี้ลาออกไปอยู่ นอรอแล้วเป็นคริสเตียนแล้วก็มาเปิดทีวีดูปังปังปังเออนบีอิสาไม่ใช่ลูกอัลลอฮ์นบีอิสาไมา่าย้ศักดิ์สิทธิ์นบีอิสาแค่เป็นนบีอัลลอ์จะต้องการจะแสดงความสามารถให้ชาวบ้านเห็นให้โลกได้เห็นว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยโดยไม่มีพ่อก็สร้างได้ก็กลับนะกลับมาขนาดไหนไม่รู้นะตัวองว่า อัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาในสี่แบบนะหนึ่งสร้างนาบีอาดัมมาจากดินนั่งกันเงียบหมดเลยมีเครโวยเลยสักคนหนึ่งใช่ไหมใช่อ้าวสร้างนางฮาวามาจากซีโครงก็งเงียบหมดเหมือนกัน yes yes yes i i i understand I understand พอสร้างนาบีอีซาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อโวยหาวัานอาดีอีซาสักสิใช่ไหม นี่ไงอัลลอฮ์โกรธเนี่ยกุลหัวัลลอฮฮัดอัลลอฮุสมัดลมิลิดวะลมยลัดอัลลอ์ไม่มีลูกและอัลลอ์ไม่มีพ่อวะละมยักุลละหูกุฟวนะฮัดบนโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์เลยสักนิดหนึ่งจากนั้นนบีอิสราหดแสดงความสามารถขนาดอาดัมแสดงได้ใช่มมาจากดินข่าวมาจากสิโครงอิาผ่านแม่และพวกเราเนี่ยมาจากน้ำมาสุจิมิอสด ท่า น, นัสามแบบนั่นเป็นพุทธเดรัจย์หล่อแบบที่เราเห็นอยู่ อ, อสุจิผู้หญิงผู้ชายบวกกันเป็นฟิตรเดรัจย์หลอสามรายการเป็นพุทธดรัจย์หล่อความสามารถพิเศษของอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาละนี่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากอินนัลลอฮ์ฮะอาลยุลิชัยอิงกอดีอัลลอฮ์มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุอย่างประวัติทั้งสองคนคลน้ายคลึงกัน เพื่อชี้ให้เห็นว่าความสามารถของใครนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตะอาลาท็อสิอธิบายดีนะวาสกูรฟิลกีตาบีมาริยัมจงรำลึกถึงนางมารยัมนะในคำพีกุรานอธิบายว่าไงนางมารยัมข้อที่หนึ่งนางมารยัมเป็นบุตรีของท่านไอมรอนนางมารยัมนี่นะ คือเป็นงี้ท่านอิมรอนเนี่ยกับภรรยาเขาสาบานกับอัลลอฮ์วายาอัลลอฮ์อยากได้ลูกผู้ชายสักคนหนึ่งเอาไว้รับใช้บายตุนมักดิสขอดูอ้าขอมาภรรยาก็ท้องพอคลอดออกมาเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงไม่ใช่ลูกผู้ชายหนังมารยยมเนี่ยนะพ่อก็ขอดูอาอะไรให้ให้เป็นลูกผู้ชายแต่เวลาอัลลอฮ์ให้ให้เป็นลูกผู้หญิง นางก็บอกว่าอะไรซาจาการูกัลุนซาผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันนะไอ้ที่ขอนะัขอผู้ชายอัลลอให้ลูกผู้หญิงต้องการจะเตือนพวกเราวันนี้การขอดูอามีอยู่ห้าอย่างอย่างที่หนึ่งขอแล้วได้เลยข้อที่สองขอแล้วได้ช้าข้อที่สามขออย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ ขอให้เดีลูกผู้ชายอัลลอฮฺให้ลูกผู้หญิงข้อทีส่สีขอแล้วเนี่ยอัลลอฮฺไม่ให้บาละไม่มาเบียงเบนบาละออกไปเลยอายกยงตัวอย่างอยากได้รถสักคันหนึ่งรับรถก็ไม่ไปเก่งด้วยอ ย, อยากได้รถอัลลอฮฺไม่ให้มาห้าปีเลยนะพอปีที่หกได้รถมาจะขับไม่เก่งเป็นไง พอออกไปพัทยาระหว่างทางเรียบร้อยไปชนกันข้างทางใชไหมได้ของเนี่ย ม, มาแต่มีบาลาติดไปนวมมาด้วยนี่นะพี่น้องหนึ่งขอแล้วได้เลยอันที่สองขอแล้วได้ช้าผมนึกยกตัวอย่างไครมีอาจารย์อยู่คนในกรทมนี่แหละเขาอยากได้สามีมีาศาสนาเขาขอมากี่ปียี่สิปี อยากรออยากได้สามีมีศาสนาอลัลลอฮฺจะชว่วยหนูด้วยหูด้วยได้เห็นไหมนี่ไงกว่าจะได้เนาะช้ า, ชาข้อที่หนึ่งขอแล้วได้เลยข้อที่สองขอแล้วได้ช้าข้อที่สามขออย่างนึงอลัลลอฮฺให้อีอย่างหนึ่งนี่ไงานางมารยามเนี่ยท่านอิมรอรออยากได้ลูกผู้ชายอลัลลอฮฺให้ลูกผู้หญิงเห็นยังขนาดรุ่นเดะใหญ่กว่าเราต้งเยอะหเห็นไหมย อัลลอฮฺยังม่ให้มีความสมสมสมสมประสมเลยข้อที่สี่ขอแล้ววัตถุไม่ให้ให้เบี่ยงบาลลไม่มีปัญหาเด๋ยวร้อนข้อที่ห้าขอบนดุลยาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอัลลอฮฺไม่ให้แต่อัลลอฮฺไปให้หลังตายเอาเรื่องเอาหลังตายดีรวบากรตายดีคนมีศาสนาขอเอาหลังตายกันนะโอลอักุบะถ้าได้บนดุลยาหมดหลังตายไม่ได้ยุ่งนะ ปลอดภัยจากกูโบนี่เอาไม้มอุลโลอย่ารออย่าให้ลงโทษในกูโบเลยอย่างนี้ค็ณต้นแค่ได้เงินล้านนึงบอกไม่เอาล้านนะ่ะเอาปลอดภัยในกูโบเอาในกูโบดีกว่าล้างตาเนี่อันตรายสุดๆใครช่วยได้ถับพุดท่านลูกไปขอทุกอาให้เนี่ยแม่นอนในกูโบช่วยได้ไหมนั่นลูกนี่และสามีตีเทียมยืนช่วยขอทุกอาต่อร้องสุภาณาวุวาแต่ละข้อที่สองนะครับนางมารยามเนี่ย เป็นเชื้อสายของนบีดาวูดอะไรงูซาลามอัลลอฮ์แะกบ้าที่มาเชื้อสายตระกูลของเขาอันที่สามนางมาริยามมาจากครอบครัวที่ดีจากวงวานของบันีอิสรอเอลนะอันที่สี่มารดาของนางมาริยามชื่อนางคันนะนางคนะันหน้านางคันหน้านี่นะขออุดมอตองมาริยามคลอดออกมาขออุอมเลยยาอัลลอฮ์ อัลลอฮุมะอีนีอูงีซูฮับิกะวาซูเรียตฮะมีนัชชายตอนนิโรจีตอนที่นางฮันนาหอดลูกมาชื่อนางมารยามเนี่ยอัลลอ์นั่งขอดุอาเลยอย่าอัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองแต่อัลลอฮ์ให้นางมารยามเนี่ยแล้วก็หลานมาถึงลูกของนางมารยาบีบบัทเจนบินอีซานั่นอย่าให้ชายตอนมาสัมผัสให้หา่างชายตอนโตขอเอาไว้เราะนั้นวันนี้ต้องการจะเสนอท่านคุ่น้องว่า มีลูกมีหลานเนี่นะอย่างทียิเฉเลิมเนี่ยมีหลานนะชาวชาติจะไปโรงเรียนบางทีรับไปส่งเองบางทีเราไม่ส่งคนอื่นไปส่งก่อนที่หลานจะไปโรงเรียนทายําไงเรียกหลานมากออา่อนขอรุณาตรล่อให้หลานมีอ إ ي ่านเพิ่มมีริสกีเพิ่มขอให้หลานจะเรียนหนังสือจบตั้งใจเรียนขอไปเลยอะไรก็ได้เอาตัอาคอนำนังหันหนาไปขอก็ดีอัลลอฮฺหุบมะอินมีบอิรูฮะบิกะวะซุรีอัตฮะมินัสไซฟานิุรจีบขอได้เลย เหมือนใครเหมือนนบียากรุบก่อนนบียูซุฟก่อนที่จะจากกันจากไป30มสิปีนะ่ะมาพบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหทรมานใจนะ่เพราะนั้นมุสลิมยอยู่โรงเรียนมีทดสอตอลอดเวลานะครับไม่มีใครมีความสุขตลอดนะอา้าวต่อมาครับนางมาริยามเนี่ยเติบโตมาเป็นสตรีคนหนึ่งที่ชอบทำอิบัดอลัลลอ์และมีหัวใจที่มุ่ง ม, มั่นต่ออลัลลอ์ต้นการยศนบีว่าไงนะ มีคนอยู่เจ็ดจำพวกที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์หลังจากฟื้นคืนชีพในทุ่งมาชักหนึ่งในเจ็ดก็คือนาชอาฟิอิบาดติร บ, บีลูกหลานของเราที่จะเิญเติบโตมาอยู่กับการพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาะฮูวะจัดาดีไหมดีครับต่อมากับอายาที่17เจวัตฟัด ถ ح กท๊ ا ตอนนั้นแยกตัวไปนี่นะ ไปอยู่ที่มัสยิดอะไรนะ Al นะอัลอาคซอนะนางได้ได้กางม่านกัน้นนะแบบเรามาทำอะไรนะมาเอะมายอะกีก้าที่มัสยิดนะามากัน้นเอาอะไรนะเอาเอาม่านมากัน้นเอาไว้นะครับ <c oughs> ตัวนางให้ห่างพ้นจากพวกเขาคืออยู่ต่างหากน่ะนะ มาจัดม่านกั้นเอาไว้แล้วก็อยู่ในอยู่ในที่คนเดียวนะเอลลาลอเนี่ยเอาลอเล่าหมดเลยนะรัย่ละเอียดเลยนะนางมาอยู่คนเดียวเอามา่านกั้นเสร็จแล้วเป็นยังไงฝาอรัสนาอิไลาฮาเราจรึงได้ส่งทูตอาอัลซัลนาเราได้ส่งอิไลาฮาไปหานางรู้ฮานารู้ฮานาจะเรียมาจะแปลว่า ว, วิญญาณนะ หมายถึงมาลาอิกะรู้ห์รูหฮานาะแปลว่ามาลาอิกะในตับซิดอิบนุกะซิรอธิบายดีนะหมายถึงมาลาอิกะเลยหมายถึงยิบรีนอะลัยฮิสาลามเลยตอนนางอยู่ในที่กั้นคนเดียวขังตัวนางอยู่คนเดียวออกห่างจงดากญาติพี่น้องมาอยู่ในห้องคนเดียวนั้นอัลลอฮ์ทรงยิบรีนจากชั้นฟ้าลงมาหานางแล้วมาในรูปไหน ฟัาตามสซาลาลาฮบาชารณนซวิยาบาชักแปลว่าคนแต่มัสลาแปลว่าแปลงแปลงมาจำแรงจำแรงตนแปลงต น, งตนมารีกาสามารถจำแรงตนได้รูปร่างของมารีกาเดิมน่ะมีนบีเคยเห็นแล้วเปรีบยบเยอะ อันนบีอยากเห็น่ายิมดีๆลงแสดงให้ฉันเห็นร่างมันเป็นยังไงท่านเห็นไม่ได้หรอกอยากเห็นอยากเห็นพอเห็นก็โอ้โหจา้นั้นจำแรงมาเป็นผู้ชายบาชารอนแปลว่าผู้ชายเต็มตัวนะนะครับบาชารอนสวีนั้นให้เห็นเป็นชายเต็มตัวน่ากลัวหรือเปล่าล่ะผู้หญิงอยู่ในห้องคนเดียว และมีผู้ชายรูปหล่อเข้ามาแสดงในห้องเนี่ยโอ้โไม่ใช่เบ้านะนี่นางกลัวนะพอเห็นผู้ชายอยู่ในห้องปับ๊บนางกลัวเลยอ่ะคืนี้พอเห็นผู้ชายปั๊บเนี่ยนางอ่านดูอาเลยครบต่อไปอายุที่สิบแปดก่นางพูดว่านางขอดูอาเลย อินนีอาอูซุบิร์ห์มานิมิงกะอิงกุนตาต์ตี้ะนางตกใจกล่าวว่าอินนีแท้จินฉันอาอูซุฉันขอที่พึ่ง น, นี่แหละคนเป็นมุสลิมคนมีาศาสนาถูกปกครองมาดีถูกอบรมมาดี เมื่อ <ME AR> อยู่คนเดียวเห็นผู้ชายเข้ามาในห้องเนี่ยไม่ใช่พี่จาเชิญเชิญอัลลอฮ์ว่ากบทว่เห็นแล้วกลัวกลัวแล้วเป็นไงนึกถึงใครก่อนนึกถึงอัลลอ์ว่าไงอินนีอูบิร์อัลฮ์มานฉันขอที่พึ่งกับใครต่อพระผู้ทรงกรุณาปรานีไม่พูดว่า Allah. อัลลอ์เพราะสิ่ศัตด์ของอัลลอ์คืออัลลอฮ์มานเอย เอออารักมาเลยแปลว่าอะไรผู้ทรงกรุณาปราณีอินนิอาอูบิราะมานุมิงกะฉันขอความคุ้มครองหรือฉันขอที่พึ่งต่อพระผู้ทรงกรุณาปราณีมิงกะให้พ้นจากท่านให้พ้นจากคุณผู้ชายคนเนี้ยที่มาอยู่ในห้องฉันเนี่ย อิงกุณตาตาตียถ้าท่านเป็นผู้สำรวมตนจากความชั่วถ้าท่านเป็นคนดีเนี่ยนะจะไม่ทำร้ายจะไม่ทำไม่ดีไม่งามกับตัวฉันนี่เป็นข้อคิดบนเลยนะอัลลอสอนเวลามีตกทุกข์ได้ยากให้คิดถึงใครก่อนคิดถึงอัลลอก่อนเหมือนใครที่นางทำเนี่ยเหมือนใคร เหมือนน บ, บียูซุฟอะเลยฮิสลามเอา้าวเล่าประวัติน บ, บียูซุฟนิดหนึ่งน บ, บียูซุฟเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงใช่ไหมละ่ะผู้ปกครองใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการทลังนะเอาน บ, บียูซุฟไปเลี้ยงพอยูซุฟรูบล้อเนี่ยรัฐมนตรีคนมีภรรยาหลายคนนะแต่คนหลังเนี่ยมันคนที่สาวที่สุดแล้วก็สวยที่สุดนะก็อยู่ในบ้านเดียวกับยูซุฟนั่นแหละ แม่บุญธรรมคนนี้นะ่ะชอบนา บ, บียูซุฟถ้าต้องการที่จะขมขุนนาบียูซุฟเลยนะในกุงอ่างอธิบายอย่างนี้ร้ลละกอติลอบวนางปิดประตูวะกอลาทหายตาลกวนางก็พูดนาะยูซุปมามาไปหม <laughs> <laughs> เหมือนกับนางมัจยามอยู่คนเดียวใช่ไหมจะมีมาลาอีกามา นางกลัวคิดถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์กล่าวว่างไงอินนีอัลจุบิรห์มานีมิงกะฉันขอความคุ้มครองฉันขอที่พึ่งจากอัลลอฮ์นะให้คุ้มครองผู้ชายคนนี้เหมือนนบียูุ่่ตอนผู้หญิงเรียกมาหนิมาหนิมาห า, า, าฉันท่านกล่าวว่างไงนะกอลามาอัลลอฮ์เหมือนกันอินนีอัลจุบิรห์มานกับ มาดลอขอความคุ้มครองจากอัลลอภาษาเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนสำนวนเล็กๆ น, น้อยๆเห็นไหมคนดีมีศาสนาเวลาเขาเจอปัญหาที่มันอึนอดอัดคิดถึงใครคิดถึงอัลลอสุบฮานาอูบานาดานี่ก็มีตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนางซารอ์นางซารอ์ น, รนี่เป็นภรรยาของนบีใครอิบราฮิมัลฮิสซาลักสวยมาก นบีบรหมพานางสาวรเนี่ยผ่านเมืองเมืองหนึ่งแล้วเมืองนั้นกษัตริย์โหดสั่งทหารว่าเจอผู้หญิงสวยๆผ่านบ้านเรานี่นะเอาเลยจับแล้วก็ถวายให้ชันน่ะนบีบรหิก็พานางสาวรผ่านประเทศนั้นทหารสมัยก่อนภาษาโกไม่มีตรงนะัจับเลยพระจับตัวก็จะบวชวายกษัตริย์ นบีอิบราฮิมสั่งเธอจะพูดว่าฉันเนี่ยเป็นภรรยานะ่ยเธอไม่ใช่ภรรยาเป็นน้องน้องเป็นน้องสาวพ อ, อก็ให้เกียรติให้เกียรติจ้ะน้องสาวก็ไม่ยอมเพมสวยไงก็พาไปเข้าหากษัตริย์นางขอดูอาต่ออลัลลอฮ์เหมือนนางมารยามนี่แหละเหมือนยินนบียูซุฟเหมือนกันนบีอิบรอฮิมพอถูกภรรยาถูกจับก็กางเต้นอยู่ไงนะั่งอยู่นามาแล้วขอดูอาต่อ อ, อัลลอฮ์ ส่วนพรรยาของท่านมือถูกจับไปเข้าไปพระราชวังเสแล้วเป็นไงขอดุทิศต่อรออย่ารอช่วยด้วยรู้เป่ามือเนี่ยสั่นนะกษัตริย์เนี่ยมือสัน่นพอะจะจับนางเนี่ยมือสัน่นนางก็คิดเออถ้าปล่อยให้สั่น่างนี้ฉันออกข้างนอกไม่ได้แต่งานนี้อย่ารอช่วยหน่อยกษัตริย์ช่วยช่วยให้หายเถอะนางก็ขออุอิต่อรอถึงสามครั้งนะ่ะครั้งที่สามเนี่ยทั้งตัวเลยนะ่ะ เป็นเอามาพึด ท, ทั้งตัวเลยนางว่าปล่อยให้ตายแบบนี้ดีไหมยาขาวยารอ ย, า, ออยาให้ตายเลยเห็นไมสามครั้งนะก็จัดจัดนางถึงสามครั้งอลัลลอ์ช่วยพ่อนางขอดูอาตออลัออลลอฮ์าลคนสุดท้ายข้อหายป่วยนางวกระสายว่าคุณนี่มันจะคนธรรมดานะคุณเป็นคนดีมากๆเลย เราก็ลเลยมอบนางอะไรนะขู่นางสาร้อนมีค้าอยาอะไรนะนางนางอะไระนางขายักษ์มอบนางขายัต์ให้เป็นผู้ช่วยนางสาร้อนเอาพาไปไปดูแลนเบอิบรหีมผู้หญิงบ้านแด่ก็มีอยู่สองคนได้ไงกรลลินิกาไป็นอีกคนหนึ่งนี่เป็นที่มาของว่าใครที่นึกถึงอัลลอ์ใจบริสุทธิ์อัลลอ์จะคุ้มครองเอาเรื่องเล่า จากต่างหนังสือตามมิทธายาตภาษาอุรดูเรื่องเกิดขึ้นในอินเดียเรื่องเล่านะแต่เป็นนเป็นเรื่องจริงมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกคนมหาเศรษฐีคนรวยต้องการจะมาเยี่ยมญาติพี่น้องอีกอีกตําบลนหนึ่ง <c oughs> ก็มาคนเดียว่ะจะมาเยี่ยมญาติพอมาตอนกลางวันเสร็แล้วกับหมู่บ้านนั่นฮินดูมุสลิมทะเลาะ ก, กันพี่น้องก็รู้ใช่ไหมคนอยู่อินเดียมา <c oughs> ประวัติอย่างนี้ฉนเฉลิมรู้ฮินดูมุสลิมทะเลาะ ก, กันเรื่อยมากเลยนะฆ่ากันเลยน่ะ ผู้ยญิงมาถึงหมู่บ้านนี้จะมาเยี่ยมยาติฮินดูมุสลิมเผาต้งเผาร้านกันเลยเนะ่ะก็วิ่งเข้ามัสยิดพอเข้ามัสยิดเสร็จแล้วเนี่ยอิหม่ามเข อ, ออกไปเข้ามาสุราชันเสียชื่อนะ่ะและผู้หญิงก็บอกว่าชันนี่พึ่งบ้านอัลลอฮ์ลวเข้าบ้านอัลลอฮ์ยังยังยังไม่ปลอดภัยจะไปที่ไหนอีกล่ะโอ้โหอิหม่ามอ่ะอ่ะเข้ามาเข้ามา คืนนั่นทั้งคืนอยู่ในห้องอิห ม, ม่ามอิหม่ามกับหนุ่มด้วยจุดเทียนไฟดับหมดนยะจุดเทียนนั่งอ่านหนังสือผู้หญิงก็นั่งอยู่ในห้องนั่นแหละก็สังเกตอิห ม, ม่ามนั่งอ่านหนังสือพอนั่งเอามือลนเทียนอ่านต่อลนเทียนอ่านต่อล่นอย่างเงี้ยมันตลอดทั้งคืนน่ะพอตื่นเชา้าเลยมาอิหม่ามบอเธอกลับบ้านได้ฉันไปส่งพอกขอถามหน่อยเมื่อคืนฉันก็มาได้รับ อิหมามก็ไมได้รับอิหมามบอว่าถ้าขอถามอิหมามเลยเอามือน เ, เทียนทําไมฉันอยู่กับเธอในห้องฉันมีอารมณ์อ่ะพูดนี้ฉันมีอารมณ์ฉันเลยเอามือ抡ลนเทียนน่ะนึกว่าไฟนรถเลยมันใหญ่กันอยู่ตั้งเยอะก็เลยอารมณ์หดอารมณ์เหี่ยวเห็นไหมนี่ไงอัลลอฮ์คุ้มครองเห็นไหมนางมัตยามอัลลอฮ์คุ้มครองนบียูซุฟอัลลอฮ์คุ้มครอง แล้วก็นางสาวอัลอลอฮ์คุ้มครองเพราะนึกถึงอัลอลอฮ์ตลอดเวลาผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันเห็นผู้ชายคนนี้อิหม่ามเอามือ抡เทียนนเทียนถามลนเทียนทาไมก็พาไปส่งเขาบอกอิหม่ามตนไปส่งที่บ้านพอไปถึงที่บ้านเนี่ยไปหาพ่อมีลูกสาวคนเดียวบอกพ่อจ๋าหนูสมัครใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ล่ะเพราะว่าฮ้อ คนมาขอหนูหนู list นะเต็มไปหมดจ้่เนี่ยพอยังไม่ได้ให้ใครเลยหนูตัดสินใจเอาอิหม่ามคนนี้แหละล่าให้ฟังเลยสิคนนี้เป็นคนที่มีตักวาสูงเขาหนูอยู่หนูก็อยู่เมื่อคืนหนูอยู่ในห้องอเดียวกันอะ่ะเข้าอามือลนอะ่ะลนไฟอะ่ะขนาดไหนอะ่ะก็เลยสมัครพ่อกับอา้อาวอา้อาวแต่งก็แตง่งชาวบ้านก็ด่าก็นี่ทีหนได้ถึงผู้ชายดีๆมีศาสนาเี่อิหมา่าฉะนั้นคนมีตักวา อยู่บ น, นโลกเียอัลลอฮ์คุ้มครองก่อนตายแล้วก็หลังตายเข้าใจนะนี่ยกตัวอย่างไงเอา้านางมาัตยามเห็นผู้ชายคนนี้มาผู้ชายคนนี้เป็นใครรู้เปล่าเป็นมาลาอิกะในตัฟซีตอธิบายว่ารูฮานาวิญญาณของเรามาลาอิกะของเราทําไมต้องใส่รูฮานาเพราะอะไรทําไมไม่บอกว่าออัลนลันมาลาอิกะยิบรีนพูดตรงๆรงแตม่ไม่พูดอัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายว่า รูฮานาเนี่ยเบอกว่าทูตของเราวอลอิดอฟลิตตัชรีที่เติมนาเข้าไปรูฮานาเพื่อต้องการจะยกย่องให้เกียรติกับทูตของอัลลอ์เหมือนกับที่อัลลอ์พูดในกัฟีร์อุลนว่าใบตุลลอติมักกาใช่ไหมนี่ใบตุลลอไหมยซรามีใบตุลลอทำไมอัลลอฮ์ใส่ว่าใบตุลลอล่ะเป็นการให้เกียรติกับมัสยิด ของอัลลอฮ์ سبحانه ะุสวลต่านมลาอิกะเรียกว่ารูฮนะเป็นการให้เกียรติกับท่านยิบรินอะลลอฮิสซาลาเนี่ยมันคนของฉันอ่าใช่ไหมอย่างเราส่งพี่น้องออกไปทํางานศาสนามาจากคงเค็สส่งไปทุกคนเห็นให้เกียรติโอ้มาจากไหนไม่รู้ไม่รู้โอ้จีบให้ข้าวพวเรามือปืนหรือเปล่ามือขโมยหรือเปล่าก็ น, นึกเยอะมาจากคงเคสเออไปเลยไปเลยไปเตอนรับมาที เชื้อใจตอนรับผิดอะไรรู้ฮาณาหมายถึงท่านยิบรีหรออะไสิสลามกอลัดอินนีอาอูบิร์ฮ์มานิมิงกะนางตกใจนางกล่าวว่าแท้จริงฉันขอที่พึ่งต่อพระผู้ทรงกรุณาปราณีให้พ้นจากท่านผู้ชายคนนี้อิงกุนตะตตกียาถ้าท่านเป็นผู้ สำรวมตนจากความชั่วตัสสิทธอธิบายดีนะอธิบายอย่างนี้นางมารยมเนี่ยเข้าใจศาสนานะที่พูดคํานี้ออกมาเนี่ยอัลลอฮ์เล่านะในตัสสิทอิบนกะซิทอธิบายบอกว่าแล้วก็จะอัลิมัตอันนัตต์กีซูนะฮะอธิบายอย่างนี้นางมารยมเนี่ยทราบดีว่า ที่พูดขอความคุ้มครองขอที่พึ่งโดยอ้างวา่าอัลลอฮ์มานอินนีอุไอซูบิรห์มานฉันขอที่พึ่งต่อพระผู้ทรงปราณีแท้จริงคนที่มุตตะตีตอนท้ายใช่ไหมอิงกุนตาตะตีะถ้าท่านเป็นคนตะกีไม่ใช่ตะเกียนะถ้าท่านเป็นคนมุตตะตีนถ้าท่านเป็นคนตักว่าต่ออลัลลอฮ์นะ พอได้ยินคําว่าอะระห์มานี่เขาจะเลิกทําความชั่วนางรู้เห็นไหมเนี่ยเหมือนกันคนที่เรียนศาสนามาเนี่ยนะถ้าเผลอตัวไปทําความผิดอะไรมาเนี่ยถ้ามีคนเตือนสตินึกได้เลยอัลีมัต อ, อันนันอตตาติูนะฮยะคนที่เป็นมุตตะกีนนางมารยามรู้นะถ้ามีคนมาเตือนสติ เขาจะเป็นผู้ที่สามารถยับยั้งหัวใจได้ดีที่สุดไม่ให้ทำความชั่วเหมือนคนที่ไม่รู้ศาสนาเลยั้านส่งเสริมให้ลูกเรียนศาสนาเยอะเวลาลูกไปอยู่คนเดียวไปเจอเหตุการณ์อะไรๆนี่นะมีคนเตือนสติเอ้ยนึกถึงอัลลอฮูอิมานมาเต็มเลยแต่ถ้าไม่เรียนล่ะ Allah อลัลลอฮฺอเลากูไม่เกี่ยวใช่ไหมจากี้เป็นต้นฉะนั้นนางรู้ดี เพราะนางมีศาสนาเพราะพ่อดีแม่ดีอบรมศาสนามาดีลิมัจอันนัตกีซนะฮิินนางรู้ดีว่าที่เอ่ยคำนี้ออกมาว่าอินนีอวิอุบิรุห์มานิมิงกะอิ่งกุนตะตะกี้ฉันขอที่พึ่งจากอัลลอ์ให้พ้นจากชายคนนี้ถ้าชายคนนี้เป็นคนที่มีตักวาแล้วจะเลิกไม่ทำทีนากับฉันเหมือนเบียูซุปใช่ไหมเหมือนนางสารอไหม เนี่ยอันนี้เต็มตัวเลยเอลัลลอฮ์ช่วยหมดเลยนะอะต่อมาครับอลัลลอฮ์นี่ดีหมดเลยนะตัวงว่านางเนี่ยเวลาอยู่ในที่คขำขันนึกถึงใครนึกถึงอลัลลอฮ์ทำไมจิบรีนต้องแปลงตัวมาอ่านี่คําถามเป็นอย่างงี้แล้วก็จิบรี น, เ, นเคยมาหาท่านนับีนะแต่งชุดขาว แต่งชุดขาวสะอาดนาบนีนั่งอยู่กับซาฮาบ้านี่เต็มเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาทุกคนไม่รู้จักนี่ชายแปลกหน้าที่ไหนผมในดําเมียไม่ได้พวกซาลาบันหูืนาจิบรีนมาไหนเอ้ผมสังเกตทําไมไม่ใส่หมวกอย่างกเราอ่ะถ้าไม่พกซาลาบันนะ่ะใส่เสื้อขาวมันจะบอกว่าชุดอะไรกันละ่ะเดินเข้ามาสะอาดสั้นเสื้อซีอสะอาดแล้วผมขาวมานั่งริมนบีน มัลอิสลามมุฮัมมัดอิสลามคืออะไรนบีตอบปับปบมัลอีมานอีมานคืออะไรมันอียสานถามหลายข้อนบีตอบหมดพอข้อสุดท้าถามว่าเมื่อไรเกิดวันเกียร์มัสนบีบอกคนถามรู้ดีกว่าคนถูกถามคนงงกันหมดนะ่ะแต่นบีรู้อยู่คนเดียวว่านี้เป็นจิกรีตระลึกอิสลามั้งตัวสะอาดมาแต่เขาคิดหมดเลยนี่ก็มาหานางมารยามรูปรอมาหรือผู้ชาย ละนางกลัวตอนหลังอายาต่อไปยาอายาที song, ่เท่าไรนะที่สิบก้าพูดว่าไงก็แลอินนามะอาณาโรละรับบิกอาณาโรสุลูรบบิกรับบิกีอ่าอินนามะอาณาโรสุลูรบบิกีอัลลอฮุอัยฮุอถามว่าไงเขา ก็แหละมาถึงมละอิกาจิบรีมที่แปลงตัวมาเป็นผู้ชายรูปรลอเนี่ยนะกล่าวว่าอินนามาอาณนาะฉันเป็นเพียงแต่รอซูนเป็นอะไรเป็นทูตเป็นทูตของใครรอบบิกี้พระผู้อาภิบาลของเธอเห็นไหมถือพอพูดปับ๊บอินนีอินนามาอาณนาะรอซูรอบบิกี้ฉันเป็นเป็นทูตมาหาท่าน จากประผู้อิบาลของท่านมาทำอะไรลีอาฮาบะลีอาฮาบะเพื่อมาจะมาอะไรนะแจ้งข่าวดีคืออัลลอ์เนี่ยได้ประทานลักกีให้แก่ท่านอาฮาบะลัค ก, กีมามอบให้กับท่านประทานให้แก่ท่านประทานอะไรกูล่ามันลูกชายอัลฮัมดุลิลลา จากี่ันลูกชายที่บริสุทธิ์สะอาดคนหนึ่งแกเธอ mm hmm. พอนางตอบพอนางได้ยินผู้ชายที่เข้ามาพูดอย่างมี้ปั๊บหายเปลือยไหมหายไปไหมหายหายเลยไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนครับแต่เป็นศาสนาทูตเป็นท่านยิบลีนมัลาอิก้าแปลงตัวเข้ามาอยู่ในห้อง mm hmm. เพื่อจะมาบอกข่าวดีว่า mm hmm. เธอจะมีลูกผู้ชายคนหนึ่ง อัลลอฮอัสซาดนัซิดอธิบายบอกว่ามเมื่อได้ยินมลาลิกาพูดอย่างนี้ในห้องสองต่อสองนะความกลัวหายไปความสงสัยในทางที่ไม่ดีกับผู้ชายแปลกหน้าคนนี้หายไปหมดเลยเพราะภาษาที่งั้อลลอเล่าให้ฟังเลยอินนามาอันนารสุรูรบิก ลีอาฮาบาลกิกลามันซาคิอานีภาษาของท่านยิบรินอัลัยสัลามพูดกันอย่างมันยามเข้าใจนะฮะภาษสั้นมีความหมายอลยะอาสุดท้ายยาที่ยี่สิบกาลัตอันนายาคูนุลีกลามวัลามยามซาสเนบะษะ วลำอากูบาลียาอัลลอฮ์ดีมากเลยอาจารย์ว่านางมารยามเนี่ยรู้รู้เรื่องดุนยาอย่างดีลุ้นอานางว่าไงนะนางมารยามกล่าวว่าอันนายกูนุลีวลำจะมีลูกแก่ฉันได้อย่างไรจะมีลูกแก่ฉันฉันจะมีลูกได้ยังไงอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่บอกปฏิเสธนะ บอกให้พวกเรารู้คนจะมีลูกได้นั้นมันต้องมีเงื่อนไขใช่ไหมที่รู้รู้การป้องอะนไรต้องแต่งงานถ้าไม่แต่งงานก็ไปทาจีนามามีสองอย่างใช่ไหมไม่แต่งงานถูกต้องก็แอบไปทําจีนากันถึงจะมีลูกได้นางพูดว่าไงว่าลัมยัมซัสนีบาชัดทั้งทั้งที่ผู้ชายยังไม่ได้ต้องตัวฉันเลยผู้ชายยังไม่เคยถูกตัวฉันเลย นางเข้าใจโลกดุนยาใช่ไหมเหมือนพวกเราเด็กสมัยใหม่เนี่ยรอดูเฟซบุ๊กกันจนทังรู้เลยว่าถ้าจะให้ท้องนางง่ายเดียวม่แต่งงานก็ทำสินายิงบาเวทไทยมาีาจบง่ายใช่ไหมท้องง่ายจะตายอัสตะเวรุรอรอเรีมเอา้านางพูดยางไงนะฉันจะมีลูกได้ยังไงในเมื่ออะไรวะดดำยมสัสมีบาชร ยังไม่มีผู้ชายคนใดมาแต่งมาแตะ ต, ต้องตัวเฉลยและข้อที่สองวอลัมอากูบารียาและฉันก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงสามสน่นบรียาบรียาอธิบายอย่างนี้อาจานียะตซิดอิบนุกะซีอธิบายอัลบารีอัลบาอัลบากรออาั้าจานียะหญิงโสเพณี ฉันไม่ได้สามส่นฉันไม่ได้เที่ยวไปไหนตกลงการจะมีรูปหนึ่งแต่งงานสองทำทำเินาฉันไม่เป็นคนชั่วแบบนั้นก็าจะมีรูปได้ยังไงสาเหตุที่อัลลอประทานอายะสุดท้ายเนี่ยวาลัมอากูบารียาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอาตีดาของคนอยู่ตับ๊บซิดอธิบายภาษาอุรดูที่ประเทศอาหรับนะนะ รอเบตโพิมพนาภาษาอุดูแที่ผมมีนะผมเปิดดูที่พูดอย่างงี้เนี่ยเพราะว่าคนยิวมีความคิดว่านางนี้นะทําไม่ดีไม่งามยูดีใส่ได้นะใส่ร่างนางหญิงมาติยามว่าไปทําไม่ดีกับผู้ชายเป็นทหารของพวกโรมันเป็นทหารคนหนึ่งของพวกโรมพวกโรมัน นางมารยามแม่ไปมีทู้กับคนนั้นนี่โยความคิดของพวกยัฮูดีอัลลอฮฺเลยประกาศตรงนี้ว่าลัมอากุบารียนันนางไม่ใช่เป็นพวกสามสนนางเป็นคนที่รักษาตัวดีนางมาสะอาดนะครับเชื่อฟังพ่อแม่เป็นคนดีมาจะมาใส่ร้ายว่าเป็นนางเป็นคนไม่ดีนี่อัลลอฮฺคุมครองนางเป็นการอะไรนะกระโดวารัดเป็นการปฏิเสธ ทำใส่ร้ายดูแคลนของพวกยาหูดีกับนางมารียมขอบคุณอลอนะที่เราดูพระราชาอยู่ข้างหน้าเรานะอลอเล่าเรื่อละเอียดหมดเลยทำดีเลยแล้วฉะนั้นจุดไค่แมกของอญญาย่านี้ต้องการจะบอกว่าเวลาเจอที่ลำบากลาบากอยู่ในที่รับขันนึกถึงใครอลอก่อนผมเจอผู้ชายคนหนึ่งเล่าให้ฟังเขาขับรถมาจากบางนา เขามาถึงตรงนี้แถวอะไรแตววัดวัดเสียเอี่ยมเแถวนี้ยนะแถวเนี้ยรถ ม, มันมันหมุนอะความมะสองทีอะอัลลอฮบัรเข้าชมอัลลอเนี่ยเราว่าเขาไม่เป็นอะไรเลยรถไม่เป็นอะไรเลยความทั้งสองทีอยู่ในสภาพเดิมที่แรกนะเขาไม่ค่อยนำมาท่ายคนเนี้ย พอเจอคดีนี้เข้าวันนี้น้ำมานไม่คาดอยาลารอร อ, อ, อ, อคุ้มครองกันนะแต่ตอนมีปัญหาไม่ถึงอัลลอฮ์ย้อนรอช่วยด้วยใช่ไหมยังดูเนี่ยคนนี้มาหาผมบ่อยๆทุกทุกวันอาทิตย์จะมาหน้าตรงนี้ <laughs> น่าคิดมากครับแต่นั้นเวลาเจอเรื่องหนักๆคิดถึงใครคนฮินดูเนี่ยอ่าคนุคนฮินดู น, นะเวลาค้าขายธุรกิจไม่เพียงคา่าทุน่ะคา่คาขายคา่คาทุน เ็าจะมีรูปพ่อแล้รูปคุณพ่อนะตายไปสามสิบปียี่สิบปีแล้วแกไว้นะมายืนหน้าพ่อพ่อจี่ถ้าพ่ออยู่ในะธุรกิจเนี่ยอักพ่อแก้ได้ <c oughs> นี่ชีริกยังแรงเลยนะนั่นหินดูนะเ้ากลัวมุสลิมจะเรียนแบบพ่อดูหนังอินเดียเยอะช่ <c oughs> พอมีปัญหาปับ๊บเอารูปพ่อมายอ่อจา๋าถ้ายอ่ออยู่ช่วยได้นี่งชีริกเลยจะนั้นต้องพึ่งใค อัลลอฮ์ سبحانه ะก็อัลลอการเรงอาตีดาทั้งหมดตั้งุณอ่านเนี่ยอัลลอฮ์สอนเรื่ออาตีดาเรื่องความผูกพันกับอัลลอฮ์ س ب ا ن ه และก็อัลลอฮ์ไม่บิฮัมบิกะช่วยลอิลลฮ์อิลลัอันตะอัสตัฟุกอวะตูบุลัยลักษ์อัลลอฮ์มูลาห์มุลลาห์มัตุลลอฮ์วบราะกะดฺเด